อย่างของน้ำก็คือเรื่องที่ไม่มีการสัมผัสที่เป็นรุ่นเป็นก้อนเพียงแต่เป็นอาการที่มันแสดงออกแต่มันก็ยิ่งใหญ่อาการของน้ำมีอานาจมากถ้าเราไม่รู้อ <B> um> าการของกายเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับอาการของน้ำที่คอยม่่งการอยู่แต่ถ้าเรามีสติก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 เรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายกับจิตใจมาโดูดูมันจะไม่อะไรบ้างอยู่ตรงแน่้น้อยเราก็ต้องเห็นแล้วล่ะเรามาดูหันหน้ามาดูเนี่ยเห็นความคิดตัวเองเห็นความห่วงเอาหนอนที่ท่านเรียกว่าอ ว, า ว, าวาบนละทมันอยู่างไรนังสือ ท, ที่เราเคยอ่านการ ม, มาฉันทะความปลอดภัยในกาม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 มหมในชีวิตจิตใจของเราถีา่นิมิะความห่วงเหงาเหงานอนเคิบเครอือนหมุดหงิดเมืดสลุมสลือมีอ น, นี้ก็มีไม่กิจขิฉาความลังเลสงสัยเกิดมาทำไมตายแล้วอยู่ยังไงบาปคืออะไรบุญอะไร ตังเลยสงสัยจะทํายังไงดีตัดสินใจไม่ลงจับจับจุดจุดจิดหน้าคิดหลังแม้นะทํางานอยู่ก็ยังงสงสัยอยู่ชอบแล้วไม่ชอบอะไรที่มันไม่ชัดเจนจัดเจนแม่นย่ํามันมีอยู่ในชีวิตเราเป็นชีวิตที่สังกระตายฟองฟองผูกผูกม่อยม่อนคงตนี้เป็นวิกฤติขาศีศาลประดับประวัติยึดมั่นเรื่อง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 หมนูนีไม่ค่อยดีเลยตื่นขึ้นมาทำงานทั้งวันก็ขำเครียดไม่รู้ว่าเป็นอะไรต า, าก็ไม่ค่อยดีเรยียงพกแก้วซุกสนทำไมมันจะเป็นอย่างนี้เพราะว่าเราไม่รู้มันมันแสดงออกตามเหตุตามปัจจัยยกเรื่องโน้นมายกเรื่อง น, อนีๆๆ้มาไมหลวงพ่อพูดว่ามีอยู่ไม่ประมาทไม่ได้ด สมาไได้จะเสียเปรียบมันจะเสียเปรียบมันไปทางชาติหรือว่าคราวที่มันทำลายเราวางมากเสียหายมาก้อ่งนั้นสิ่งเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นกับเรามืนก็บสน่มเกิดขึ้นกับเหล็กถ้าประคองไม่ดูแลไม่รักษาเอาไปวันเหล็กทั้งเหล็กก็พังได้แล้วจึงปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่ยุงอื่นเลยมือนกับเรารักษาบ้านเรือนแล้วนี่ยนี่เลยก็ต้องรักษา มสมดบันทึกากกากระเป๋าเสื้อผ้าอาพรต้องรักษาถ้าไม่รักษาสูญหายมันผิบหายไปชีวิตวางชีวิตไม่รู้จักรักษายิบหายไปจริงๆเสียโอกาสที่เกิดมาเมื่อเราทรัพย์สมบัติที่มีราคาดีเสียหายไปมากๆแล้ว น, นี่ น, นั้นเน่ชีวิตของเรานะถ้าจะเปรียบแล้วมีค่ามาก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 ที่รักษาผู้คนจนให้เขาออกจากโรงไยาบาลพ้นภัย ไ, ได้แล้วโรคไป ม, มีแล้วดูแล้วดูอีไม่มีแล้วหาไม่เจอแลแสดงว่าหายแล้วไปกลับบ้านได้ชีวิตเรากลับบ้านได้เหมือนกันนี่เราอยู่ตรงไหนกลับได้กลับบ้านได้นี่เราอยู่ตรงไห น, ไ น, น, นบ้านของเราคือปกติ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 พิพิธภัณฑ์ของเขาอยู่ในเกาะนัะ้นเป็นที่เติดผ่านของนักท่องเที่ยวลงเรือไปชมหมูกก่เ <c oughs> กาะเกาะที่เป็นเกาะ อ, อิสระภาพเกาะพิพิธภัณฑ์กันงปต่เส็กสมบัตมีคนหลังคนหนึ่งตาบอดยืนพิงกำแพงกำแพงตึกแล้วเกิดดีดทิ่ตานื่นวิ่งวิ่งสวยปอาจารย์กระปุนนะ่ะหน้าตานะ่ะคนตาบอดนะ เราไปอินเดเหมือนกันผลพิการนี่แหละแต่ว่ายืดตากแดดตากหนาอย่างนั้นแหละแต่วก็ยืดอ่าแล้ว่าเลยวนพยาบาลคนหนึ่งไม่ต้องออกเกครื่องเคื่อคนเชียงใหม่เราก็ายื่มนย่ดสิบกวปีเป็นพยาบาลพูดคำก็ว่าทุกคูดคำก็ว่าทุก ต้องขับรถเล่ในบ้านทั้งสองหลังให้คนเช่าตอนนี้หน้าตาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยเขบอกว่าคนลองดูฝลังคนนี้ไปสินั่นคหน้าเหมือนมีสุขจริงๆนะเึาคนดูเขาก็ชะงนชนแท้พอเขาดูหน้าตาพลั้วเขาบอกว่าเขาเป็นยังไงดูเราไป็ยังไงเขาก็คิดได้เฉยโอ้ เขาขนาดพากระเป๋าเดินอยู่ตากหนาวตากแดดที่ถนนเขายัางนิม่มมนิ่มเเขาก็ปเปิดกระเป๋าไว้ผนผลใบกระทิ้งผนล่าให้ทิ้งใส่ทิ้งใส่ขาก็ไมู่้ที่ททหอกแต่เขาเปิดกระเป๋าวางไว้ข้างหน้าเขาก็จะนี่งลปเขาจะน่ให้เ ข, ขาจะให้เห็นเนาะแต่ทัเวลาเขาจะไปจับกบระเป๋ารุดซีบกลับบา้ า, านโอ้โหเทียนน่เแต่ว่าดูสิคนอ่ะ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 แต่วันไหนไดิไปยินไปเสียงพยิบาลคนนี้หรองอนเขคุยเชื่ฉันเขาต้องหาเชื่อนี่อดจำสติแล้วงอนาคุยเฉันก็ต้องหาเชื่อแ้ยินเสียงพยิบาลคนนี้แหะพรเราก็มีหวังอิ่มกันนะแต่ต้องรอฟังเสียงนะี่คอวดนะนี่เป็นแม่ครัวจิตวิทยา แ, แล้วับรถขับรถไปทางานทาการ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 มีความรู้สึกตัวเป็นภายในเลือดเย็นฉ่ำเย็สมุกบุมนวนไม่ไม่ ว, ว่าไมโอ้ในโลกนี้ไม่มีใครมีความสุขเท่าเราถ้าเราอยู่เป็นแต่ถ้าไม่มีอะไรก็ อ, อยู่ได้ยิ่งคนตาบอดข้างตึกพี่ตึกสิสเตอร์ใกล้ๆกับกันนั่นยิ่มทั้งวันพี่กูอะไ ร, ออะไรก็ไม่ไหวการคำผลก็ยิ้ได้ทั้งวันเหมือนกันนะ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 หลายพันปีแล้วเอโกมโคเอกภาษาเนี่ ย, นยขนาด น, น, านั่นนะพระพุทธเจ้าเอโกมโควิวสุทธิ์เป็นทางเอก <c oughs> หมายเลขหนึ่งที่จะดำเง น, นินชีวิตสูจ่จุดหมายฝลายทางือสติปัะทฐานสสติปัะทฐานสุดสติปัะทฐานคืออะไรดีแล้วเราทำอยู่ในฐานคือที่ตั้งตัง้งอยนะู่ที่นั้นตั้งไว้ที่กาย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 ภิกษเดินจงกรมอยู่นื่อยู่เมื่อเธอคุ้มคิดในอารมณ์ที่คุ้นชิดเธอไม่ลู่จับกับคุ้มคิดไปกับอารมณ์หนันื่ในความคุ้มคิดภิสษุนั่งถือว่าเธอเกลียดข้านภิสษุนั่งเป็นคนเกรียดขาดไม่มีความเพียรส่วนภิกษุใด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 ผูมีความ เ, เพียรย่อมคนจะทุกข์ทุ่งห่วงเยวิอิเหนะทุกขมัรเจติคนจะล่งทุกข์ไปได้เพราะความเพียรเพียรตัวไหนเพียรขยัดโล่เพียรกลับมาโล่มันจะไปไหนเพียรกลับมามาต้องมามาตัวงมาเหมือนเด็กตั้งไข่ถ้าลุา่มแล้ไม่ลุกมันก็งายแข็งแรงเด็กตั้งไข่พอลุล่มพุ๊บมันก็ ล, ก ล, กนกลุกปุ๊บทันทีแต่นี่ไงอย่าไปจับมันโ ล, ล่เย็นโู่ก็ได้ บางคนโลกน้อยโล่งลงวโอ้ตายตายตายไปจอมลูกมันจะอ่อนแอแต่มันล่งลงอ้าวมุกมุกมุกมุกคุกมุกเมื่อก่อนหลวงพ่อเคยมีแม่บอกเวลาเล่นนี่เด็กเอวมุกมุมุกมุว่าจะล้มไให้เลยไม่ล้องให้เลยรุกขึ้นมาทันทีเฮ้ยมันนี่เฮ็ยแรงขนาดนี้ชีวิตเราบางทีไพเนี่ยทำให้เรามีศิลปะนะไพ่เองเกิดจาก ความทุกข์ความโกรธความโลภความหลงมันเป็นศินละปะสุกิ๊ขึ้นมาโอ้เกี้ยเลยยกเงือนไหวตัวเองได้ในสถานการณ์บางอย่างนะเก่งแทนที่เราจะโกรธเราไปโกรธเทนที่เราจะทุกข์เราไมทุกข์มันยังเป็นภาพอยู่้ะมันเป็นภาพลึกๆที่เราผ่านไยมามันเป็นศินละปะ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 ปราบโอ้กว่าที่จะปราบย <c oughs> <c oughs> ังง well. ดเดทางวันหลวพ่ไปดูพอเราเดินผ่านไปกางนอนหลวงพ่อให้คนมาไดา้อ่ะโอ้กง่ายไไม่แต่ต้องง่ายดีๆพันดีๆพอโดนยอดอ่อนอโดนจิงอ่อนพอโดลายโหกลงไปเอาไ้วัดจะพืชคมไปหมดลยถ้าเปียกต้นก็โดนลายเหมือนกับกุศลทูบเอากุศลขอบมีมันกันา ในมันกันเสี่ยงวัลลรอบไม่เลยแล้วก็ทุกกระชิ่อมดน้ําสมกระชีพ้าปลากระชีอ่นตันนากระสิถังใจประสง์เหลวม่งแก้วก็เดินหอดใจประสงหอดแกวนั่งทำสิคนหาเงินไปบุกเงนไปอย่าไปหยุดอย่าไปหยุดบุกไปเลยเลยพรอมันง่วงก็้ามาไปหยุดไม่ได้พอมันปวดเข้ามาก็หยุดไม่ได้พราะมันหลงเข้ามาก็หลกก็หยุดไม่ได้ ห ม, มุนไปเลยอยากไปยอมตนที่นี่กุศลหน้าขโมยของกุศลมนี้อรหัน่ะอธิษฐานอโมหะนั้งนหนง ม, มหหงกุศลมีอยู่แล้วกุศลหรื่อเที่ยงไี่เกิดก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นก็จะเลิญมากขึ้นครอบงำอะไรๆหลางคพอบงำ อ, อ ก, กุศลอะไหลเจ้าปาน ดวงอาทิตย์คลอกนําความมืดสว่างสว่ามันก็แค่นี้นะเราจึงมาสร้างสิ่งที่เราทําได้บางคนก็พูดมีสิ่งที่เราทําได้แล้วพูดในชีวิตประจาวันเราเนี่ยนี่คือตัวการปฏิบัติอย่าเพิ่เรียกว่าจะเป็นลิทธิเด็ดลิทธิก็คือทําให้สํา เ, เ, เ, เ, เ, เร็จสาเร็จจากอะไรสําเร็จจากความทุกข์มาเลยนี่จริงๆนะตัวเนี้ยชนะทุกเ้กเรียกว่าเป็นลิทธิของเรา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 พระพร้อมกันอะระหังสะมาสะโมตตะกตาวะทังภะคะวันตังอะตุวะเถนะอะคาโตภะโขตาธัโมสะมะโนมวเตนะ สุปฏิปันโนภาตะวันชาาาังนชามังัน